นอกจากนี้ขอเสนอภาพความสัมพันธ์ระหว่างสัมมาสังกัปปะกับองค์มรรคหมวดศีลข้อสัมมาว่าจาและสัมมากัมมันตะที่เป็นแนวประยุกต์แสดงออกในหลักพรมวิหารกับสังฆะวัตถุดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่14ทับสองประกอบด้วยหมายเหตุพึงสังเกตว่าในแผนผัง ได้แสดงหมวดธรรมสำคัญสองหมวดคือพรหมวิหารสีและสังฆะวัตุสีร่วมไว้กับองค์มรรคสามข้อคือพรหมวิหารสีอยู่ในฝ่ายสัมมาสังกัปปะและสังฆะวัตุสีอยู่ในฝ่ายสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะการแสดงหลักการนี้มีความประสงค์สำคัญคือ1นให้รู้จักแยกให้ถูกต้อง ระหว่างคุณธรรมที่เป็นพื้นอยู่ในจิตใจหรือจริยธรรมในขั้นความคิดกับคุณธรรมที่แสดงออกภายนอกหรือจริยธรรมในขั้นปฏิบัติการไม่ให้สับสนปะปนกันโดยเฉพาะหลักพรมไม้วิหารสี่นั้นมักถูกเข้าใจสับสนบ่อยคือถูกนำไปใช้พูดหรืออธิบายเหมือนเป็นคุณธรรมขั้นปฏิบัติการแต่ความจริง พรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้นเป็นคุณธรรมประจําใจเป็นคุณภาพจิตหรืออยู่ในระดับความคิดเนื่องในสัมมาสังกัปปะการฝึกจเจริญพรหมวิหารก็รวมอยู่ในหมวดสมาธิหรืออธิจิตตสิกขาด้วยเหตุนี้พรหมวิหารสจึงจัดเป็นกรรมฐานหมวดหนึ่งในจํานวนกรรมฐาน40คือเป็นเรื่องของจิตตภาวนา ส่วนในขั้นปฏิบัติการมีสังฆะวัตถุสี่มารับช่วงทําหน้าที่ต่อจากพรหมวิหารทําให้มีการแสดงออกทางสังคมถ้าจะใช้พรหมวิหารเช่นเมตตากับการแสดงออกภายนอกก็ต้องเอาเมตานั้นไปประกอบการกระทําเช่นพูดว่ากายกรรมประกอบด้วยเมตตาวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาเป็นต้นแต่ลําพังเมตตา ยังไม่เป็นการกระทําขั้นปฏิบัติการโดยตัวกมันเองทานปิยวาจาอัตจริยาเป็นต้นในสังหาวัตถุซึ่งอยู่ฝ่ายศีลจึงจะเป็นปฏิบัติการทางสังคมความเข้าใจในหลักการนี้จะช่วยให้ชาวพุทธเองใช้หรือปฏิบัติหลักธรรมต่างๆได้ถูกชิ้นถูกอันมั่นเหมาะชัดเจนยิ่งขึ้น และจะรู้จุดผิดพลาดแห่งคำกล่าวหาของคนภายนอกที่เคยพูดว่าชาวพุทธได้รับการสั่งสอนให้ทำดีบัาเป็นประโยชน์เพียงด้วยการนั่งนอนแผ่เมตตาอยู่เฉยในห้องหรือในมุง้งความประสงสค์สำคัญข้อ2ในการแสดงหลักการในแผนภูมิที่14ท .2 คือให้เห็นความประสานสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมในใจของบุคคลกับจริยธรรมภาคปฏิบัติการทางสังคม แสดงถึงความสมบูรณ์ของพุทธธรรมที่มีคำสอนเป็นระเบียบมีหลักธรรมครบทุกขั้นตอนหลักการนี้บอกให้รู้ว่าการบำเพ็ญความดีภายนอกหรือการแสดงออกดีงามทางสังคมจะต้องมีคุณธรรมที่ลึกซึ้งภายในจิตใจเป็นปรากฐานจึงจะเป็นไปโดยจริงใจบริสุทธิ์เป็นของแท้และมั่นคงยั่งยืนงานสังคมสงเคราะห์ ไม่ว่าในรูปของทานหรืออัตจริยาเป็นต้นก็ตามจะเป็นไปจริงจังโดยบริสุทธิ์ใจก็ต่อเมื่อมีเมตตาการุณาเป็นพื้นฐานอยู่ในใจมีข้อควรสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเทียบกับกิเลสหลักที่เรียกว่าอากุศลมูลสามอยา่างคือโลภโทสะและโมหะแล้วจะเห็นว่าสัมมาทิฏฐิ เป็นตัวกำจัดกิเลสต้นต่อที่สุดคือโมหะส่วนสัมมาสังกัปปะกำจัดกิเลสที่รองหรือต่อเนื่องออกมาคือเนคขมะสังกัปปะกำจัดราคะหรือโลภะและอพยาบาทสังกัปปะกับอวิหิงสาสังกัปปะกำจัดโทสะจึงเป็นความกลมกลืนต่อเนื่องประสานกันทุกด้านอย่างไรก็ดีการก้าวหน้ามาในองค์มรรคเพียงสองข้อเท่านั้น ยังนับว่าเป็นขั้นต้นอยู่การเจริญปัญญายังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ตามจุดหมายและแม้การปฏิบัติธรรมแต่ละข้อก็ไม่ใช่จะสมบูรณ์ตามขอบเขตความหมายของธรรมข้อนั้นๆทันทีแต่ต้องคลี่คลายเจริญขึ้นตามลำดับดังนั้นในที่นี้จึงควรทำความเข้าใจว่าในสามมาสังกปะสข้อนั้นเนเขามะสังกปะ บางทีก็หมายเอาเพียงขั้นยาบในรูปสั ญ, ญลักษณ์คือการออกบวชหรือปลีกตัวออกไปจากความเป็นอยู่ของผู้ครองเรือนอัพญญาบาทสังกัปปะก็มุ่งเอาการเจริญเมตตาเป็นหลักและอวิหิงสาสังกัปปะก็มุ่งเอาการเจริญกรุณาเป็นสําคัญปัญญาที่เจริญในขั้นนี้แม้จะเป็นสัมมาทิฏฐิมองเห็นตามความเป็นจริงแต่ก็ยังไม่บริสุทธิ์เป็นอิสระ รู้แจ้งเห็นแจ้งเต็มที่จนกว่าจะถึงขั้นมีอุเบกขาซึ่งอาศัยสมาธิเป็นบาทฐาน